ได้เริญานเป็นคณะอาจารย์ในายการแถงการนำแถงผู้ช่วยสัตวอาจารย์มิชัชยคือคุณธรรมนนไดบรรดาคณะอาจารย์ที่รักท่างหลายที่แนวทางตามมาจากอิริคูเพลวีของเราในวันนี้เพื่อทัศนศึกษานอกสถานที่ยังวัดวารานต่างๆทั่วไปแต่ตา ม, มาเพื่อไม่เสียเวลาในที่ประชุม ท่านอาจารย์ผู้าชาวใใ่วยศาสตราจารย์มิชัยได้มากล่าวเหตุผลอหตามาชี้แจงทั้งเรื่องเวินตามตามสนองจากประสบการณ์กับปัญหาเรื่องจริงของอตามามันก็มีอยู่หลายเรื่องเพื่อจะไม่เสียเวลาในที่ประชุมนี้ก็แสดงเหตุผลสักสองสงเรื่องตามแบบอตา ม, มาพี่หนุนเมื่อก่อนประเด็กเป็นคนล้านมาไม่เชื่อเวรตามไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบรร คิดว่าเราเกิดมาในโลกม น, นุษนะ ย, ย์นี้เน่ะบุญบาปคงไม่ยีแน่นอนแล้วเวรกรรมจะมีมาจากไหนอย่างไรท่านเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อใจโดยที่นี้อาตมาก็เริ่มต้นทําบาปมาตลอดตั้งแต่อยู่ชั้นประถมมาศึกษาซึ่งสู่มัธยมหนึ่งไปตามอันดับก็เริ่มทําบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าบาปบุญคุณโทษมันจะมีจริงประการใด ก็ใส่ใจอยู่ตลอดเวลาการทั้งเรื่องการกระทำว่ามันไม่มีบินบาปแน่นอนนโยกมนุษย์นี่นึกว่าตายไปต้องสูญแน่ไม่มีใครจับมาเกิดอีกทิศอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานเมื่อคั้งสมัยเปเด็กในเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาก็เริ่มต้นด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสร้างบารมามาจาดับเริ่มต้นด้วยการอยู่โรงเรียนโรงเรียนติดศุกร์เสาร์อาทิตย์ เมื่อตอนเย็นวันเสาร์ที่อยู่บ้างคุณลายตะมาจิดเป็นกุศลมากจิดเป็นกุศลทีเดียวตอนนี้เยนแห่ตะมานี่เอาเป็โตขาหวานไปถวายสมภารวัดคือวัดตรงไหนตรงนี้เองมีพยานหลักฐานวัดสัทธาพิยนเหลือท่านจะเดินทางผ่านไปเห็นป้ายวัดทางที่ข้ามลําน้ำลบบุรีเมื่อก่อนนี้เขาเรียกวัดใหม่สถาราชมาตอนหลังนี่เปลี่ยนเป็นวัดสัทาพิยน เดินทางจะเห็นหอยู่แถวเมืองสุนบรุรีถ้ามาน้ำลำลุบลือไปจะพดวัดอยู่ซ้ายคือพบจะป้าวัดจะต้องไปอีกนิดเนี่ยให้ไปถวายพระอาตมาคิดว่าพอเดินทางไปก็เอาเุ็นตไประหว่างทางไปเจอพบเพื่อนนักเรียนกันเขายังไม่ได้รับข่าวเลยก็บอกว่านี่จะไปไหนเธอบอกเราจะไปยายให้เอาเุ็โตไปถวายพระ ไปถวายทำไมก็เห็นด้วยไปรูปชาวบา้านอาลูกปลาเนื้อปลาตายมาบวชเหมือนกับเราเนี่ยนางลูกนางกอนนางขอไปบวชก็เป็นพระพันอย่างนี้ธรรมดาเรามาคืนกันดีกว่าหลวงพ่อท้าก็เอ า, าอเป็นโตมารับทานทั้บหมิรับทานเสร็จแม่กั ล, กล่างก็เรียบร้อยเอากลับไปคุณยายถามบากฉันพานอยู่ไหมตายจริงเราก็แก่่ะถ้าเรามีใครฉลาดกว่ายายบอกคุณยายครับตนเองเนี่ยไปถึงก็มาด้ขึ้นบุกุฏิ ให้เด็กไปถ่ายให้เรียบร้อยถวายท่านแล้วก็รีบกลับมาอย่างนี Ù, ้นะครับคุณยายคุณยายก็บอกต่อไปว่าต่อไปนะถ้าไปใหม่ต้องรับพรมาด้วยรับพรจากเส้นภารจะวัดมาด้วยคือหลังเธอจะทําอย่างนี้ไม่ได้รับพรถวายท่านเราก็ต้องรับพรถวายกับไม้กํามือนะหลานนะคุณยายก็ว่าอย่างนี้อันดับสองรองมาให้ไปถวายอีกถวายอีกนักธรรมก็ไปถวาย ถวายยัอีกพอดูก็แก่ตัวไม่อยู่สมพานไม่อยู่แล้วก็เอาไปกินสิเพื่อนม า, จออมาโจหยุดม้โชคดีจึงก็สบายแต่โดนม้ข่าวทั้งหวานถึงดื่มน้ําทําลานแล้วก็ล้างซะหยุดดีเถเราล้วล้างบ้างตมานเนี่ยมันดูไม่ น, น้ำำําล้าแล้วก็ดีต้องเดินทํานฝาตอนนั้นมันหน้าแล้งก็ดําเนินลุยน้ำทำ่านฝาอาไปโตล้างเสร็จยายก็สะโกนออกมาเลย หลานเจอคนผ่านไหมเจอครับแต่รับพรแล้วก็มาแท้จริงคนผ่านยังเสือกมานั่งอยู่บ้านเราแม่แจับได้จอนนี้ถ้าท่านไปฉังเพินมันตายก็กลับมาเยื่ยมยายถ้ายายเขาหนีจิตเุ็นอิศนชอบพ อ, อก็ผุ้ผ่านด้วยนายธรรมนิยน้อยก็ธรรมมาก็แก้ชนอยู่บางอย่างน้นานางนงผานอยู่รับพรเรียบร้อยแล้วผมก็ามาต้มผานนั่งยืนอยู่บนบ้านแต่ธรมาขึ้นไปไม่ทําให็นต้มผ่าน บอกนะนี่หลานมาไก่มัไกลตัโดนเที่ยงอลยวันนี้เพิ่านดังเสียกมานดังแล้วม่บอกก็เหลาเด้วยไม่บอกแจร ง, งท่านท่านไปขันมาแล้วก็คุณายก็บอกว่าหลานเน้อเจ้าจะต้องเป็นเปรตยายให้อะของไปถวายพระกลับไปกินจ้าเอง็งั่ง น, น, นี้เป็นเปรตเปรตจยังไงคุณยายครับเออหลานเน้เปรตมันจะปากทะลุเข็มปากจิเป็นอะไร ล, ลาบากนะหลานนะนี่โตโยงเยื้มเหมือนต้นตาล มันก็ว่าไปตามเรื่องของพระสันเทศกันมาเราไม่เชื่อบางยายไม่จิิงยายเห็นที่ไหนเปรตด้วยล่างปากทะลุโถงเห็นที่ไหนอ่าเจ้ามีญานพระสันเทศกมันานแล้วเราจะต้องเป็นเปรต ต, ต, ออต่อไปเนี่ยยายว่าอย่างนี้เหัวลอกไม่ใจหัวลาะหนอกไม่ได้เดีด๋ยว ย, ย, ยัยตีพอชงทานไปแล้วเที่ยงสมบัติต่อหน้าแขกไม่เที่ยงยายก็ยืนเสมอ เมอกว่าเราเนี่ยหลอกจากการตาีดะการทำโทษพอส้งพานไปสักพักหนึ่งหลักงายายบอกหลานมานี่ฮะยายจะเล่นพานให้ฟังเตือนไม่ได้แม่เรามาตั้งใจแล้วก็หน่าเราเทียบฟังฟังนิทานหัวซ้ายหัวขวาเลยแล้วถ้าเอาหน้าไมโครในเชื่อกจับอายุแค่สบัดไปเลยบอกนี่ต่อไป จ, จะเป็นเปลอะตมาไม่เชื่อแประการฐที่สองเวลาจะมาไปวัดก็เอา หาตัดข้าวไปยายมีลักษณาการให้เอากนดินใส่กระดิบบืงหาไปหนักช่างตับช่างช่างไปช่างตับบอกยายหาไปทำไมหลานเอ้ยเราไปวัดไตวานะหลานนะจํายายไว้ไปเหยียบดินวัดติดมาไปเยื่อรวัดที่รถวัดปฏิบัติเลยเถอะเป็นหนี้สองเป็นหนี้สองเจ้าต้องเอากลอนดินไปนะเอาทรายหาไปไปเทวณิวัดเพื่อช่ยหนี้สองอาตามาบอกไม้จริง แม่จริงบอกว่ายายนะยายบอกหลานว่าพขาคายเงือเข้าไปวัดตะเหียบเป็นะบอนเต็บาปหลายเยอะแต่ไม่เชื่อหล้กดูสิ่ามันจะเปงตันยังไงมีอันดับหนึ่งขอผ่านไปอันดับสองวังมาอาตมาขึ้นนักเรียนสองเลยก็จะต้องการหาตะตังไปทโรงเรียนเอาคอเชฟจริงเนี่ยแหมให้ไปอาตมาไปเรียนหนังสือนี่ไกลหลายกิลอยู่เรียนไปจนว่าถึงปีมีนักเรียนสมัยอามาเรียนะ มีสองร้อยหกสิบคมหนึ่งถึงมหกมเจ็ดมแปดต้องไปต่อที่กุหลาบสมัยนูนแล้วมันมีไทยเข้าไปเรียนมีโรงเรียนราชอย่างเรียนคือโรงเรียนสุริศิษย์โภคกับโรงเรียนสิงหะวิจยยนนี้เท่านี้ตามประชาอำเภอไม่มีโรงเรียนมากที่อแล้วไม่มีใครไปเรียนนากนะและจากลูก่ายมาเท่านั้นเขาไม่เคยเรียนนิยมเรียนกันแล้วเวลาไปสอบเข้ามาเรียนหนึ่งสองไม่ทำสอบเขาไปต้อนให้มาเรียน ในอย่างนี้นะแล้วตอที่จสมาไปเรียนนั่นอ่ะกูวเสียวกูเสียวนะกูวเสียวผัดไทยการละสามตะตันไกไทยห้าตะตันนะขายที่หน้าโรงเรียนวัดบางคูตากนักศึกษหนึ่งสงเรียนที่ศาลาวัดนักศึกษสามสี่ห้าหกเรียนที่โรงเรียนอาคารเดินยรียนเป็นอาคารไม้จำไอโนนครูก็ตายไปก็หมดแล้วเมื่อสมัยสมาเรียนหนัง มันนี้แถมโอกาสที่ไปเรียนหนังสือนั่นฆ่าเลยเจา้าฆ่าเลยสร้างเดือนละสามจุดประตังแล้วถ้าตายจะท่านป้าไปนี่นะเอากันเป็นเดือนประกันนี้เดือนละยี่สิบห้า 25, ขึ้นมาสามจุปตังอาตมาโองค่าจันองเลยสร้างอีกนีเพราะแกเจรีย์แล้วเลยไม่รู้แบบนี้ลุงหายายนาสตังอะเมื่อเดือนที่แล้วเออหายาก็แล้วกันตายององเขาจับได้ แล้วก็ต้องเลื pastor, ่อนไปงออะไรก็ตะก้ที Thema> ่ดตะก้อไปข้ามเนื้อยนวนหน้าไว้ดังซาเลยข้าเลี้ยนี่เยอะไหมองข้านี้่ไปข้ามท้าเหนื้อท้าเนื้อจับได้ไปข้ามเชืสบาลนี่สร้างบุญมาอย่างนี้แล้วแต่มาเรียนหนังสือเนี่ยไปจะจบปรัชญ์ยมีลเนี่ยป่าโรงเรียนเรียนตั้งถึงป่าโรงเรียนเียนกรุงเทพเรียอะไรจงเรียนที่ป่าโรงเรียนหนูจำไว้นะจ๊ะเรยโรงเรียนเดียวใช่มาดาอยู่โรงเรียนละห้าเดือนสามเดือน ไม่ทำเทลมต้องออกนอี่เป็นคนดีอย่างนี้เดี๋ยวไปเรียนให้จบไปเรียนจบจะ่โรงเรียนจนะใช่ไม่ได้สามัญนะหนูทนะําไหมเนี่ยเอาตำราขงพ่อไปใช้งั้นเมื่อเันเช่นี้แล้วองใครอจ้างเอนนเวลาที่สุดเป็นเจ้ามือพาพวกกินบุเชียวชื่อเดชกลมเดี๋ยวเล่าสักครั้ขงขยูนได้กลมขายบุเสียวผัดไทยอยู่ที่สลาหม่ารัด บ, บางสั ทยผัดลายเลยอาตมาพาพวกซึเลยไต่ไทยใช่ไหมเลยห้าตังห้าตังซึ่งอย่างดีบอกว่าพวกไปจำือนะแล้วเ่ยกลุ่มกัคนเดียวอ่ยผัดคนเดียวก็แผัดงวงยุ่งอ้ชังมีในจาะตังมีอยู่อ่ะรายเดือยวกลุ่มเถอะเ้าก็ชะตังมีกลุ่มันวะนี่ในกมนี่ตังวะเท่าแบบเออตายไปด้โอ้ไม่ง่ายข่าก๋วยเตี๋ยวเสียวไม่ง่ายนั่นละก็มีึงในตังอูใครใครก็ตังนี้พวกอาตมาที่พวกมาก นะสองไปรักอ่อนอนเทวีนรักแนละ้วเขาดา่าสร้างบานแหลกไปเลยนะสร้างบานแหลกที่ต้องทาอย่างนี้นะหนองทอย่างนี้นี่มีประโยชน์มากสร้างบานแหลกไปเลยสามหลังจำได้เนยถ้าดาา่าแล้วบอกยิ้มยังไม่พอเหรอมันจะค่าไปเหรอนี่รักอ่อนในสมัยเทวีนี้นาทำ น, น้นนองอองดทํา้องอ่งดหือถ้าไหร่จูอ้ากม า, กายเย็นาไปเนะี่ เขาทำน้ำอ oh ่อนงดกันเที hmm. mm ่ยวไอนมากมายนัดอ่อนอย่ใาแบบเลยตัดแบบจ้ของว่าไปสร้างแบเนี่สร้างสร้างความดีอย่างนี้อำนาจต่อมาอำนาจต่อมามัตยชสองก็ขึ้นเดตยนสามสร้างความดีทพืนอีกตอนมุคนหนึ่งหาสร้างนตให้บาดใช่ไมบอกลุงจะไปทำนายจะไปแก้บ่าวนี่ลุงขนาดนี้ยงไ ขนานี้ลุขนาด้นแต่เราขนาดตัวยหญใหญ่แต่ไม่ยางน้ำไย้หนึ่งสองที่เป็นนมเลยนะย้มหนึ่ง้มสองที่เป็นนมเลยนะเนี่ยแต่ตขนาดว่จะแก้ผ้าอาบน้ต้มจนจไม่ดือออะไรเลยม่เงียีอ่นี้ทีนี้รับตางต้มตาว่าทุ่งต้นยังไงตาวเคืองซื้อกับทุวนในแทนตากายจูเท่านี้นะ้วลาเขาบอกว่าต้นทั้งเต็ม วิธีต้นทำงานอาหน่อมาต้ใส่นสามหน่อน่อรีเนี้ยไม่มีมันมีแน่อมาดินไอชเขาเรียกว่ามอดินต้นายาหลังบ้านก็ไปลักของเขาแล้วต้มีบ้านก็เหลือแพ่อแม่เขาจะวาอาตาก็ตัดนะตั้งใสน้ำเดือดแมาไอมอดินมันมีสาก็จะไอมอัเขียวไอมอเขียวอ่ะไอมอเขียวที่ยิอ่ะไอไม้ตอตออ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะก็ไปลักมอเขียวเข้ามาสามัน พอน้นเดือดทลามนะทางหลายเอ๋อาตมาก็เทเต่าเทเต่าลงไปแล้วหมกยกสายกตึกเตนดีมากสามคีดีคนนันเทื่อจะดิ่งมาแตกไปเลยแล้วก็วิ่งเขาก็ะเไปหมดวิ่งเข้ากระเยไปหมดไนแม่พิชิตแล้วต่าไม่ตายอามาดูไตไตใส่แข็งมากทลาะกอกตัวหมดเลยเหื่อหมูอ้สุกมันตะกุยน้าตาล่วงดิ่งเขากระเพยจมาตามจะจับ มาเวทนาเลยก็ไม่ตามปล่อยมากามยาใสงั้นมาไป็ น, นมนนะีตาลุงเขาก็หมายตาถึขงันวักจุกอะไรมีนมมาเมตาเขาแล้วนาตาเขาเล็กงั้นสุนบอกว่าเอ า, เอาตังค์ทิ้นมาบอกมึงจชาติผมลงทุนไปนะี่นาเมตาชถ้าอย่างงั้นเธอจะต้องไปเอาตินมาแทนลอาตมาก็ต้องไปบันนาสายรักระทินที่ก็ตากไว้หน่กระชาเอามาเป็นการหวัดแทนไต่ต่ นี่เรื่องการรับของเขาในเวลาตามต่อมาโองเรี ย, รยติดภาคเพือนติดาอยู่มัธยม3เนี่ยจะขึ้นมัธยม4มีคูยใหญ่คนหนึ่งแต่ถมติดตานักเรยนพรหมนครตรงนี้อชื่อคุยชัอวเป็นคุ้ใหญ่ชื่อคุยชือดตอนนี้ตายไปหมดแล้วก็บอกว่านี่เธอมาช่วยฉันยิงปืนอาปืนไปยิงงกแต่มาช่วยนาย เลยอาตมาก็หานโยบายบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปกวดวิชาจกครูครั้แล้วต้องเอาเสืออาหมไปด้วยอาไปหมดแลกันมาจะหายทงไปลอยนึงแต่จะไปนั่นพอมเถือพ่อเถือก็วิ่งเขืงอาปืนมาระายห้านัดใส่ในห่อเสือม่วนมัดทัอยู่ในปืนแบกบอกเอาในต่างาบอกหมอนเสือ ถ้าพ่อแม่โง่กันไรเรมีเท่ฉลาดกว่าน่าะเดินอย่างสบายข้ามข้าไปละแจ้งสุนครไปอยู่บ้านผูเช่ยพอเท็จจึงมาเดดตรวจวิชาเลยนม่เดือดไปตู้วถึงข้ารับทามาหารเราก็ออกกางคืนหน้าหลังละแจ่มหน้าจักสีเรื่องวัฒนธรรมจักสีนี่น้องน่าใหญ่มากนี่น้องน่าใหญ่มีนกเปป็นผู้ปูมาสมัยก่อนนกกระสานกกระพิงนกกะยางมีมากมาย ถ้ไปาายิงเนะอาตมายิงปืนแม่งยิงเนาะแต่ในน้ำยิงไปเนาะไม่ถูกมั น, นแบบหมดยิงกนมือวิทยุยิงใช้วิทยุใหม่พวกคู่ทั่วคือตะเพาระตุในชายแดงในท้าเรือนินรัการแล้วนี้อยู่ในแผ่นดินแล้วมาอยู่ในท่ายเรือนินรั ก, นนานนการในท้าอันดับหนึง่งคือตะตุตะเพากว่หนึง่งแล้วก็ ผู้ช่วเป็นคุณใหญ่และแจ่มพลนครถามดูหน้ามีที่สุดก็ไปดูกันอตาตมาเป็ดูกก็เอาหยุดตู้นแทงอาตุนยานล อ, อยนนอลาาคอลงไปมากเอาพวกปอดขึ้นนี่ไร้ฉลาดกับคนแก่คนเฒ่าเขาขึงได้ยมไหลไป็นรดับหนึ่งวิชาอื่นขางหราทั้ ง, งนี้ท้งเล็กเห็นนกเป็ดลระยะใกล้พอจะยิงถึงอย่ายิงอย่ายิงหนูตามมาเนื้เพื่จะทําวามดี เปิดงอกออกไปเงาก็บินแล้วก็คู่เชั่ออยู่บนลินใครหนอกก็เฮืกเงาะบินขึ้นสูงอาปากอยากบินบินตอไหนแงะนี่มันมีหัวหน้าเงะมันมีหัหน้านงะมันจะบินขึ้นไปสูงไอ้ตัวสูงคือตัวแม่แบบมันจะดูหนอกไหนจะไปลงที่ไหนมันก็จะมาบินง้มาบอกที่นากว่าจะต้องไปลงหนอกไหนมันก็ม้วนเป็นลามตาถ้าม้วนไปจะเดินเคื่อนย้ายก็เอง โป้งโปงห้านัดยิงหมดเลยดาวกรจายห้า น, นักนอกตกเป็นงานตไเป็นงาไงไป้าดมั่งขาขาดมั่งอะไรฉนงนี่ไปในด้ตายตาที่แบบก็หล่นมาอาตมาก็ปืนวางแล้วพวกนั้นก็รีบลงหนองเอาใส่ตะเคองเป็นตะเค็อาตมาทู้หนึ่งออาาสนุกดีหักคอเลยหักคอใส่ตะเคองหักคอใส่ตะเ่องหักคอใส่ตะเค็ง ใ, ในเวลาตามต่อมา งอหนึบติดหน้าคอหนังเลยหกนังหเลยะมาเป็นแล้วหกคอหกนังด้วยแล้วกคอจกระเเเวลานาเรียนติดเชิงคอวสามวันจะเปิดเทิงถูกข้าก็มาเตรียมนสือที่จะเตรียมนสือมาโยสตไปเลยก็ับบานในเวลาอันนั้นในเวลาตามต่อมายังไม่ทราบว่าแเป็นกันดอาาก็สุกผลงานจากการทำแบบ ของราเรียนต้นเดียรเอาต่อขาไปถวายพระแล้วยโยยายบอกเป็นเพลทแต่สลุขิมอันดับสองต้นต่อันดับสามโข้าอเจ้าอันดับสีบ่ไปช่างบาง้านเ้าพัตัปที่อันเทินอันดับห้า้าฆ่านกโดยหักคออันดับหกยิงนกกระสาตันดับที่ลังจักถือ เนี้ยก็มันก็วิ่งออกหน้าหนองไปแล้วก็วิ่งขัดตามไ อ, อ้มันหักมันดินไม่ได้แต่ขามันายาวเราวิ่งจนเหนื <c oughs> ่อยเราจะจับได้พอจับได้้วทำไงหนูโกรธังให้เราต้องวิ่งไยวิธีทาทำยังไงขัดขาเลยขัดขาว า, าเลยโต้งก้อร้องไห้โสกาลายัย น้ำตาไหลบึ้มปรับปรับปับปับปับปับหน้าเวชนานึแล้วใจร้เลยตายคาที่หากขามัเือแล้วก็เอากเ้ากระเทือหัวมันโดยยุทนี้นกกระสาถึงจะความตายยิ่งใหญ่เ่านั้นยิงอันนี้อันดับกเวลาตามต่อมาอาตมาก็มาบวชในกระาสนาตั้งใจว่าบวชกระสาเดียวเท่านั้นเพราะวิชาเรามียะ เรียนานนตีดื้อตีตายเพื่อนพวกเราที่ชู่ใจคือด็อกตทิพากสวัสดิ์บัดนี้มองเทิงไปขึ้นแล้วตายเราเคยไอยู่บ้านหลวงประดิษฐ์ไพรละสิงับบ์ตะเลงตาสองสบบิงห์ตะเบลงถ้าจะมาเคยไปกินข้าวมาหลวงประดิษฐ์ไพรละและหลวงพาราผู้ลีนานาคาให้เดกานที่หกเล่นโขนเป็นคุณหลวงแลวตีละนาฏเอกให้รัชการหกเล่นโขน ดยู่ด้วยบางแว่างชนบุรอตม า, าก็ไปอยู่บางนี้เช่นเดียวกันแต่จุดขั้นของอันนี้อดเดีกัน ล, กลูกหีวง ก, งะงวกรดกะดิบไแล่ข่างเป็นนกไตมากมายหลานพินตะตาเลยเปนดองกับหลวงปรางอัวะชี่พยาปรางอัวะลูกเป็นนายเรือนายนวานาวาทุกที่นาเรือของลิล็ปยิงเรือฝรังรง่งเศสเล่มที่ตาพนะก คุณแม่เป็นหลวงป่าอังลักษแต่ว่าคุณแม่ของเขาคือดางหลวงประดิษฐังลักษก็เพิ่งขิ้นชีวิตไปแต่ตอนนี้กำัหกหนึ่งตือายุตายร้อยสองตื่นอ่ขึ้นชีวิตาแล้วอยู่หน้าอู่ทหารเมือกรุงเทพนี่เป็นข้อัการเดียวจะเล่าตามสู่นทีหลังในเวลาตารต่มาต่อมาบวดแล้วตอมาคิดระบุบาปจะมีจดบันว่าต่อมาบวชยังไม่ ได้ก็ถึงว่าสุดถึงประหลาดดังขึ้นนี่อยู่เธอถ้าจะสึกตั้งนมโอเป็นไหมตั้งโนมโอเป็นข้สุดต่ำ้หนึ่งข้อสองพุทธคุณใดอย่างถ้าไนขึ้นใจในคุณธรรมของพุทธคุณเาาไม่ควรสุดอาตมาที่งหมอคุณใจ่เลยก็เดินทางต่อไปไม่รู้จะไปที่ไหนบอกเส้่นทางหัวใจไม่ดีต้องไปศึกกาดูสอบเลยก็ไปอยู่หลวงพ่อเดิมแับหลวงพ่อก็คุณดีว่าธรรมขันธ์นิพพานธรรมกุศมีภารสุขคุณที่เราได้ละล่ำนิี่าหลวงพ่อเดิม อยู่ก็ท่านหเดือนเติมแต่จะเรียนวิชาเรียนทางนะดูว่ต่างใจต้องใให้วิชาเรียนทางต่อทางตาตกน้มันบอกเธออย่าิ้มเธอาจ้งหงษอวดรู้อวดดีนะผู้ใหญ่ให้จะมีงารู้ว่ายใว่าใยตาแบบถามเพื่อมีโอกาสี่ใช้เหมือนผู้ใหญ่ให้เชื่อไปหลายตัวตัวไหนไม่ใช่ทับไปก่อนบางทีมีโอกาสที่จำเป็นมาต้ง้งานนั้นก็าชื่อถเราาเป็นอะไรเตาา้องหงษี่จำ้ซใจวเถิดซใจ ผู้ใหญ่ให้ยาจังหวังยุ้งมันชาววะย่างชายบาแบบถามนีหลวงพ่อเดิมคือพระคุณมีวัดธรรมขันมีอายุเหยียบย่างร้อยห้าปีในวัดเขาช่อวัดน้องโันครสวรรค์อันนี้ได้ความ่าอาารก็ซึ่นใจก็ศึกษาที่ปัิญญามาตามมาดับเดินทางสุดงตามหลวงพ่อลีไปและหลายวัดหลายวาถึงหลวงพ่ออุดรปรการดับอันนี้ขอมาละขอละอารอย่างการตามเวรการตามสมัย่ หลับมานี้ก็อยู่เรื่อยตายมาจนถึงอยู่วันนี้ในเวลากลางอันสมควรนี้เมื่อจิตตื่นี้มาเริ่มใครจับขอท่านทั้งหลายโปรดทราบถ้าคนไหนจะสร้างความดีก็มีการคนไหนเริ่มสร้างความทั่ว์จะไม่มีการตามสนองในคันไะยะนั้นเพื่อสรุปผลงานเอาไปชั่ชาติหน้าที่หยคนที่นอนชินนั่งชินนั้นจะไม่มีเวรกรรมจะไม่นอนหยุดถ้าคนไหนจัดทํางานที่มาต้องมีการ คสง่างุ้มหมายคามวัเป็นหงายวามวายเขามืนยึดทงานจแทแล้วเราประจับไปน้อยเนใจว่าทาดีไม่ดีเหมือนมึมีบัง้าทำหลายใจสูงไม่ได้มกิจกรรมไม่ได้องมีมอาจแล้วจะไปนอเนื้อตัณใจผู้ใหญ่นงไม่ถึแล้วเราก็จะเสียใจว่าทงานถ้าโดนจะตายไม่นอนแล้มึงหรืไม่อนมึงหรืนี่ได้สุดนี่เป็นสุดสำคัญเน้อจนได้ความดีขึ้นมาในใจของเรน่ไม่ได้ จนไปจนนี่แหละเนาะได้ความมาจากกฎแห่งกรรว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะมันไม่มีใครมาทวงหนีเหมือนเรามีน้านค้าอยู่อย่งนี้ไม่เคยค้าขายเราเป็นหนี้ใครก็มีคนทวงถ้าเริมค้าขายจะกํารายงเช้าทวงเย็นทวงเย็นทวงคืนแน่นอนที่เรขอฝากข้อคิดชนะอาจารย์ไว้เด็ดในที่นี้เดี๋ยวก็นอนเงี้ยตามใจนะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะแบบนี้อาตมาก็มาเริ่มมันอยู่ที่นี้พศ2550ดำรงตำแหน่งเจ้าวัดนี่วัดนี้ สต้องยโดนมีป่าดวงฟงพุ่มากมาเยะเกินไม่เฉลยเลยอังที่พระอาจารย์มีกล่าวแล้ววาเนียที่ไปชุมเนี่ยมีแค่ใบมีตนน้ง่วคือวัดอัมพะนั้มาจะเดินที่สมัยจินศีโยธยาและโบสนี้กับสมเด็จนารายณ์มหาราชเป็นผู้พระละพระาุปานประกาศอุมิโมทนาแั้ไม่มีพระปรธานที่ถึงความถึงมาเหมือนสมัยนี้เป็นการเชิญประกาศอุมิโทนาของวงธารชาที่ไรทำร้ายจัถวายเพ่อ้ราเท่านั้นเอง อันนี้ขอกล่าวต่อไปอาตมาก็เริ่มใช้จับเริ่มใช้ฟันจะเล่าแต่ที่เล่มลเามาแล้วหกปรสการนี้อาตมาก็มันเจริญสมาธิเขานี่ยลืมไปง่านที่ทาไปแล้วลืมทั้งหมดไม่มีเลยจำไดเลืมไปง้ามคาลั่งไปเดือดแล้วไปเจ็บข้อตอกพอลืมไปง่าก่ไปโกยข้าวในในในลานเข้ามาองข้าวรักข้าวสาบัดป็นกดแทงตันที่ต้องอุทิศสมุูรณ์ไม่หนัก แน่นอนโดยที่ที่นี้นะโยนพาะบาลบอกไว้ชัดมีเรื่องเลาแต่จะไม่เด้าอย่างนั้นหญิงสองล่างนางสองชาติตายแล้วกลับมาอยู่กับผัวอีกอยู่ที่ชายตโกเองมาซะกูจมาานใหลังอกอย่กัดนี้ชื่อมม่เฉินอันนี้จะไม่ข้องยันกล่าวไม่อย่างนั้นเราหึง่จะมาต่อไปเพราะมีพยานหลักฐานอยู่นั่งเจริญสมาธิติดก็เข้าสู่ภาวะปัจจุบันปัจจุบันติดสงบมากเทาไ ย้อนหลังไปไดมากใช่ไหมสามารถจะจำเหตุการณ์บาร้งไปดูได้ทันทีอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งอาตมาจะไปเยี่ยมลานเบจเจตถึงที่ามึชนวนไปถามได้เขาผ่า้องแม่ชีวนข้างธนาคารเน่ยก่อนนี้อยู่ทางซ้ายนี้นั่งร่องไปมีอยู่ทางขวากเลยเขาซื้อที่ถึงนี้ไม่ได้โดยที่เป็นที่ของแม่ชีว่าตักน้ําเป็นป่าดงฟงทึบหลงข้อลีใช้มาตักกรดอยู่แล้วก็บอกก็ไม่ชี้ให้ชี้วัด แล้วก็หมอมาชีบอกที่นี่จะเป็นที่ทลเรือสามว่ามาเรือสามไมไปที่นี่ก็ต้องตกลงอย่างดุจก็ไปตามลูกชีโรปรีกลับมาก็บอกลูกเลยติดฝันวันนี้อาจจะบวชทีอาเบียดเนึ้อจ้ะไอ้เจ้าเด็กเห็นเรื่ก็กลับมาเมื่อสมัยนั้นรถไม่มีต้องมาเรือยนเรือปุกปุกปุกแดงถึงบุรีชายโยมีเรือยนตเมื่อสมัยยังมีเรือแดงเรือเรือสีหมูเรือเขียว เรือถุงค้ารถลามังยิบเขาก็ลงเรือมาสา ม, มาคนปัจจุบนเด็กจนร้องโดยลูกชายก็มาขึ้นนาวัดอตาตมาอยู่พอดีต้งมาเป็นสมภารได้สองปีขึ้นมาถามโยมาเถ่ะ อ, อะไรหรืออ๋อดิฉันจะเอาลูกมาฝากบุเงินบอกโอ้ไม่ได้ไนะครับอตาต ม, มาไม่ยู่เป็นอุปชาต้องมาเป็นสมภารได้สองปีก็ทาไมโยมายมเรื่องมาถึงอย่างอุปชาก็าม้ชื่ว่านั่นวัดแจ้งเนี่ยมี แต่พอครูชมจะยักคุณตอนหลังถ้าเป็นเจ้าคุณาชามนักาะจาร์ชื่หลวงพ่อดูทำไมเลยมล่งอาตามาจะฝันเอามาก็จะไปดูแค่นั้นแหละผมฝันไปเดกถึงมาบอฉันฝันไปอย่างเนีย้ยฝันอย่างนี้องเนี้ยเออตกใจอาต ม, มาก็พัฒนาชมเด็กถึงเอออย่ายคุณนี้เคยเห็นหน้าเนี่เคยเห็นหน้าเนี่ยมีทิชไปก็บอกยอมขอโทษเคยเข่าเสียบไหมเนี่ยขาจ้ขาที่หน้าโรงเรียนตกตาย มาทวงค่าก๋วยเตีเยวเยนะีแล้วก็ขายที่หน้าวัดบางกุซาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกแล้วขายที่เสือผัดไทยใช่ไหมใช่โอตายเลรู้ลแต่ไอ่ผกเอาละยอมรับรับรับอุ้ยไปนี่เลยเดี๋ยวจะบ่นให้วันนี้เดี๋ยวเรือจะโยมาเนะี่ยเดี๋ยวโยไม่มีเรือกลับสมาก็ไปส่งับ ก, กุนไปโยลงเรือไปพอลงเรือไปเสร็จก็จัดการกับลูกชาว อาตมาก็นำเรือยนต์อาตมาเรืยนต์อยู่ลำหนึ่งไปที่ตลาดซื้อผักใบซื้อมัดแนวซื้อหมดสองบาทสองรบาทนะข่าวกุ้ยเตอ๋ยเมื่อกี้ตามต้องใช้ยี่สองบาทซื้อเรองซื้อรองเท้าซื้อบาทซื้อเสร็จไปเลยไปหาวิชากอนหัวไปเจ็บบวชบวชกลับมาถึงนี่สามทุ่มสามทุ่มเลยแล้วก็พอบวชแล้วให้นางกำมฐานให้ต้องมีนางกำมะทานมีศัสนาโบสถ์ล้างตาวเพราะนางกรรมฐาน่ายเจ็ดวัน พอจ็ดจะถึงขั้นแล้วอาตอมาก็หลับระหวัดตู้แต่ตัวเลยมาจะกล่าวบทไปถึงเก้าหาทนายใจสงสาเรื่องละรักกู้ยเสี้ยวโอ้กุเสี้ยวแม่จับแล้วก็ข่าที่ซื้อเครื่องจีวรเนี่ยบอกว่าเราไม่เอานะให้ข่ากุเสี้ยวไปเลกิกการนะจะได้หมดเวนหมดกามมื่อสักทีไอเจ้เด็กนี่ได้ทึบบอกเอเนี่ยหลวงเขาเรียกอาตมาหลวงพี่ตอนสมัยโนตอนนี้เขาเรียกหลวงตาแล้วนะตอนนี้เรียกหลวงพี่ บอกหลวงพ่โอหลวงพ่ขนาดนี้คือเหแล้วผลนี่จะขนาดไหนตายจนเป็นบาปเป็นกรรมนะเลยบอกหลวงพ่อผมอยาขอศึกเอาศึกทำไมศึกไปเรียนต่อนี่อยากเรียนถือกันทีนี่เรานีคนดีนอยเรียนตาดโรงเรียนหนูจะไม่ะเรียนตาโรงเรียนไม่เสร็จพระโรงเรียนนี่อย่างนี้นายสุกทำยังไงขอสุกแล้วไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้เป็นนายทหารเป็นทหาอากาใจตัวใหโตเป็นนาวาอย่ า, า, างนี้ไ นี่ชื่อเนไม่ชัดแล้วอาตมาก็ก็ชิดเพื่อบอกเหตุผลบอกว่าเงินที่ซื้อผาคไรเื่อบริวารต่างๆไม่เอาสองร้อยบาทให้นี่ไปในเวลาการต่อมาใกล้ใจกันเกิดร้อนใจนั่งสมาธินึกถึงข้าเลยจ้างเปิดชื่อเอง น, นี่พะคุณเจ้าไปโกงข้าเลยจ้างสะก้อยลื้อไปใช้นี่แค่ะนะถ้าจะมีกล้ำตื่ไปในชานหน้าให้ใช้ซงหมดนี่อาตมาวิ่งรถยนไปตอบหน้ามันจ ะ, ะก้อยตะก้อยก็ยึดปากิดแล้ว แกจะเรจ้างมาตั้งแต่แกเดือละสามถือประธานยังโกงไปนอีกแก้วเทปตายช่างรับท่างส่งนะแม่น้ําจ้าพญาเนี่ยเลยไปตะก้อยไม่สบายบอกเจ็บมาเป็นเดือนไปแรมเดือนแล้วอาตมาก็สตาลไปสองร้อยเท่าราคาผี่เสี่ยวเอาไปก็ทํามไว้ดีๆอานมเอาผูองคุไปด้วยแต่ก็พับไม่ค่อยดีเลยอาตมาตัวลูกเขาจะรู้ให้เขาพระไม่โกงใครจะเลยประกาศที่ปู่หูบอกโยมอาตมาชื่อนั้นนะ มาสมัยนั้นโกงใครจะจ้างโยมไปสามเดือนสามสิประจางก็เก้าสิบประจางนะอันนี้ตะมามาทําบุญก็โยมสั่งลองานแล้วแต่โยมครับครับอ้าตากพงอ้ครับอโหสิตจำให้ตมานะครับเราก็ใส่มือเลยแล้วพวกลูกหลานนิ่งทาบอกวหมเมื่อวันเสาร์นี่พระวัดตยกับวัดตะคายมามาบอกบุญแหมวันนี้องค์นี้มานี่วัจะบอกบุญกลับมาให้สตังทำอยู่วันไหนเนี่ยไปดูว่าพวัน เลยพออาตมาใหา้โสโหจิตกรรมเนี่ยตายะกรรมมังเวจีกรร ม, มังมนุกรรมมังไม่รู้เท่าถึงการเลยนะโยมนะว้าวไวแล้วก็ให้วอาตมาลง เ, เรือพอลงเรือออกไปยังไม่ทันออกถึงกลางน้ําปักก้อยตายแล้ว ก, ก้อยตายพอกกดีนี่อ่ไปที่หลังเสียใจเกินดูนมาอีกสองเดือนเติดไมถึงเดือนวลขึ้นมาก็ต้องตายเนือไปสองร้อยเือนวนวมเป็นอามพากจะตายเนี่ย ยนวมอายุปาทิปปาทิปแล้วก็ใกล้จะตายอาตามาไปทำพิธีนี้เรไปบอกกันหูบอกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาตะตังใส่มือเลยมาตาไมา้กัมแล้วบอกโอ้โหสิทำให้อาตามาที่ครั้งยังเป็นเด็กองข้าดลจ้างของคุณยายนะโอ้โหสิจ้าจ้าพออาตมาออกเรือมาอยู่ได้สองวันได้ข่าวว่ายนวมถึงกะรม ตายแล้วอาตามาส่งพระชายไปช่วยใจที่วัดท่าควายทำการเผาปั่นนี่ชี้เห็นไม่รับต้องใช้เงินเทงนั้นมันนีที่ไหนในเวลาตามต่อมาเนี่ยในวันที่สิบสี่ตุลานะะเดี๋ยวเล่าค่ะเราถึงเรื่องรักอ้อยวางบานแรลกไปอาตมาลืมแล้วมาบวชอยู่นี่เนี่ยเขามาขอนิมนต์คนที่สามคนน่น่ะมานิมนตยกันมาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดราชประพฤต บ้านของเขาอาตมาก็ดูเอ๊ะจำได้เนี่ยอาตมาจำคุแม่บ้านที่เราไปคว้างมันงั้นเนี่ยวางแหลกแล้วด่าล้วแหลกไปเลยเอ๊ะมากราบมานีมนตให้เราไปช่วยทางโบสอาตมาไปเลยเนะไถ้เงี้อยู่สองปีช่วยทางโบสแล้วบ้านนั้นจะปลูกเรือนจะหาหนายจัดการไม่ได้สมาช่วยรับประกันให้กู้เงินที่บ้านไร่สศถีเอามาปลูกบ้านในไใ่เงี้ยไปหมดแล้วนี่ความบานคุณนะ แล้วเขามานมีมนเราเขาไม่รู้เรื่องเหตดผลต้นปายมิมนที่ช่วยสร้างโบสถ์ต่อมาเขาช่วยสร้างจนเสร็จนะสร้างเสร็จด้วยนี่เราเครไปความบ้างเขาต้องตามไปใช้นี่แน่นอนยนมทั้งหลายไปจ่ายเองในเวลาการต่อมาวันที่สิบสีตุลาที่ยังสี่สิบ้าพศสองพันร้อยยี่สิเอ็ดมนิมิตก่อนนี้หกเดือนบอกว่าพระคุณเจ้าวันที่สิบสี่ตุลาที่ยังสีบห้าตาย จากวัดอวันแน่นอนอาตมาเคยแม่นก็จดประทึกจดประทึกว่าให้ญาติเรียนรู้เตียงสีผโดยวิธีการใช้นี่นกที่ไปฆ่านกไปลนรลอยวันนี้แน่นอนอาตมาก็ประชุมสงมอบหมายงานหมดเลยบอกว่าออนออกครรษาสามวันตรงวันที่สิบสี่ตุลาวันที่สิบหกเป็นวันออกครรษามีน้าเนรตะหาสุดคือวันนี้อาตมามอบหมายงานหมด มอบหมายงานหมดแล้วก็บอกโยมกรรมฐานที่เขาเคยมาฝึกสองวันสาวันบอกว่าอยู่เพลาเดือนนะอาตมาจะมีผู้สอนนะเดี๋ยวอาตมาจะไปเลยไม่มีใครสอนโยมเขาก็มาการทราบไป้างหลังก็อยู่เพลาเดือนเคลาเดือนเพลาเดือนเดือนสุดท้ายเอาโยมผู้ชายมาเพื่อจะได้เอาเราไปโรงพยาบาลหรือไปเถาโยมผู้หญิงคงเอาเราไปไม่ได้แน่นอนโยมผู้ชายมาต่อภายหลังเป็นผู้รู้ทั่วไปของบ้านนี้อาตมาประกาศดงชลา เขาก็เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะท่านจะมาตายยังไงก็องลองดูกันต่อไปว่าจุนเชษจะตามได้เพราะวันนั้นยังมาไม่ถึงนี่โทษขานกดูเช่ว่ามันจะตายโยกที่ไหนอาตมาไม่เสียใจเนี่ยรู้ตัวอยู่ไม่ได้กําไรถ้าคนไหนไม่รู้ตัวมันขาดทุนนะเตรียมไม่พร้อมนะวันนั้นพอดีแพทย์แผลโรงพยาบาลสีลาดมาถวายพระทหารเทวที่นี้วันที่สิสี่ตุลาพอดีแล้วพอดีอาตมาจะต้องเดินทางในวันนั้นเที่ยงต้องออกจาก ไปจะชนมัคคุบิตสรารามโดยหลวงพ่อธรรมยานมุนีท่านมีมนต์ให้ไปสังเกตการ์ดไปชนก็ชนะเพอทั้งหมดอัตมาก็จาเป็นต้องปัดเลยพอฉันเสร็จแล้วยาถาสักพีแล้วก็บอกกับแพทย์หมอบอกว่าอัตมามีความจะเป็นนะมันต้องขอลาไปแล้วบายทักกัหนหม่ถ้าคุณหม อ, อยังไม่จัดพากแรมก่อนอัตมาก็รีบขึ้นรถปิกอัพทันทีเชื่ยงกว่าแล้วดูที่สีผ้าตอนไหนอัตมาก็เตรียมเปลี่ยนเครื่อ ง, ง, ง, งดูออนใหม่ ข้ามหมดยามเยอนไม่ถอดดับดูที่จะไปรูปไหนเอาในกาใส่ยาบแล้ว ก, ก็นงสือพกอ่านออกหลังวัดปล่อยเบืนไปถึงปั้มน้ำมันตลาดปากบางลถเบาปล่อยเบาแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าบางงาไปสู่ทางล บ, บรีบถึงว่ากะวัดขวิดตะลามพอจะเลี้ยแวแหวกเปิดเลี้ยวขวาแต่รถเราได้ทังซ้าโเปเลี้ยวขวา เล้วไอ้รถตามหลังมา 3, 000, สามคันแซงซ้ายไปเนี่ยเราก็เลี้ยวออกไปได้รถทัวร์พันจิตปล่อยลอยสุดดูชิดนันบอกป่อยจนที่มาเลยบอกไม่เห็นรถหลังเวรขับชนทันทีวิ่งขับชนแล้วมินมีนาวาตารีวาติกแก้วบนนอ .2 อาศัยรถตมาไปด้วยกลอยขึ้นหลังรถทัวร์ไปเลยรอไปเลยตกตอนหลังที่เนี่ยต่ำแล้วตมาผชนต้งยิ่งกับฟ้าผ่า อาตมาก็เคยเดินฟ้าผ่ามาแล้วสองครั้ ง, งแต่ไม่ตายนะแต่รถชนนี่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าถือดับเลยแล้วจะมาก็พุ่งจากรถไปยี่สิบ yard แล้วไอ้หนังนี่ฉลกหมดเลยนะไอ้กระจกนี่เอาหนังที่ไว้หลังหมดแล้วที่จาก็เถาเลือดเต็มจมูกเลือดเต็มจมูกเต็มปากหมดหายใจไม่ได้แต่มาหายใจในะ่ท้องอย่าลืมนะท้องนีหายใจได้นะอย่าลืมว่าเด็กอยู่ในท้องนี่ไหายใจ มันกินอาหารอากาศทางสะดือหรอ แ, แน่นอนนี่เราจะสุดไอทางหน่อยยืดหน่อมาเลยมันเริดหายใจทางท้องได้แล้วพูดด้วยนะคอหมุนไปแล้วไอมือดีอูมือหนึ่งก็อลองทำดูอ่อไอหน้าผากนี่กดที่หน้าอกแล้วเอามือดันขึ้นมาพูดได้แต่หูไ ม, ม่ได้ยินตามองไม่เห็นตายไม่สัมผัสทั้งหมดก็ไปนอนจมปลักดูหาดด่างจากรถยืดสุด บินออกไปแบบนกเลยบินแบบนกเลยสบายมากบินแบบไหนรู้หมดยู้นาจาบินออกจากรกไปเลยบินสบายที่วอนขาดหมดจบูกขาดหมดเหนือ จ, อ า, จากอังสักกหลองตะแหลมแล้วไปซบอยู่ตรงนู้นจะชาชนมามากอาตมาก็เอเ่ยเผยว่าจายโยมช่วยอุ้มหน่อยจ้าไอพวกหนุมๆบอกเฮ้จะไปอุอมตายหาแล้วถูววววอเลยพอพับไปได้ได้ตายได้พวกโกลหนึ่งบอเฮยอย่ า, า, ย า, ย ไ, า, ยยาไปยุง่งเย้งผีเข้าแล้ว ตรนี้สี่ห้าหกมาแล้วตี่แยกเนี่ยอย่าไปตอนนตอเลยอ่ะมาบอกว่าไม่ตายช่ว ย, ยนนหน่อยตอนจดนตำรวจมาหรือคนแก่มาบอกว่าไม่ตายอย่าไปจับอยู่ซิถึงแม่ลูกมาตมาขึ้นรถแล้วตมามีมือดีอยู่มือหนึน่าางก็ดันขึ้นเงนคอขึ้นตาลือไม่เห็นเห็นว่าไมฆหมอกหอกไม่ได้ยินจะยินเมื่อไหรแต่ยินบวันโทรศัพท์ทางไกลเท่านั้นแล้วก็บึ้งรถคือทําล้มอีกเช่นครับซึ่งในแถว เป็นผู้ประการลงอิดก็อเอารถสองถวรีบไปพอถึงหน้าโรงเรียนเกษตรวิษงาลัยเกษตรหน้าหลังวัดกระลางเสียงเต่ากระทิบกันเดี๋ยวก็เอาทําให้สมน้ำใจถ้ า, ากรเดี้ยวไอ้น้ำติดตูดพูเข้ามาน้าร้อนระเบิดหม้อน้ําเอาเราคนเดียวถึงจุดร ะ, ะลากเราคนเดียวแต่ไม่รู้สึกร้อนแต่รู้สึกร้อนที่มือร้อนอย่างเดือดขาดแต่ที่ตัวไม่เป็นลายเปียบหมดนี่ดูไหมเนี่ย เตามันจะมาซ้ำมันดอกสม น, น้ำนาตอกอน้ า, ออาน้อนลวก อ, อีกจะสมใจนี่น้าน้อนลวกอาตมาคนเดียวนะไอ้โจเฟอร์อริไนไเขาอกม่ไม่เคยจะเบิดเนี่ยไอ้ถังน้น้อนอยู่ตูดไอ้ราต้องแถวเขาปเป้ามาแปลงใหม่ยังไงเนในสุดไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วอาตมาที่ศานหมอสนมหมายทองประเสริฐเก้เ า, าขาใช้ทเลบอหมดทางตรงนี้ขาดไม่มีทางที่จะช่วยยากได้ยินแลวแห เลยที่นี่ก็ถึงอางนั้นแต่ตามนะเอาชีส่าไปเย็บจะถกหนังก็มาตามเดิม น, นี่ทำไมจะถกหนังนถกถกหนังนกนะนี่ตายหมดเลยนะหายใจไม่ได้สิจมูกเลือดเต็มจมูกเสลียเต็มปากแต่มาหาใจได้ท้องคลองหนอยุดหนอได้แล้วพูดได้แล้วลที่นี่หมอเขาก็เอานอนตรงตรงมีรถสี่ลอ้อนอนตรงตรงให้เข้าห้องทุกเชินโดยด่วน เลยก็รีบล่องไอ้บุรุษยามาก็รีบพุ้งพุ้งพุ่งพุ่อาตมาที่ฐานจิตว่าข้าพเจ้าไในื่อยังมีนี่สินสูกพันกับประชาชนขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาใช้นี่ประชาชนเถอะถ้าข้าพเจ้าใช้นี่ประชาชนหมดแล้วขอข้าพเจ้าไปอยู่นี่เรารู้หนทางแล้วแล้วต้องตายแน่ในนาทีนี้เลยรบเกิดไปตกล่องไอ้ล่องไอ้ที่นีประตูเล็กมันมีรางคลอมรัวติดเลยคอเข้า ได้ทันทีแล้วบริษัยาบาลบอกนึกว่าตายไปแล้วนะกลับฟื้นอีกคนนึงมาบอกเป็นที่อ้วนะ่ะเขาอ้าไมาสายตกร่องฟื้นก็ดีเนี่ยกลับมือทั้งดีทั้งอะไรเนะี่ยเอ้ยทำไมตกร่องดูสินี่เป็นที่อ้วน่ะวันะวฉันไดสายแต่ชื่อไปให้รถตกร่องเลยคอท่านเข้าเลยพอเข้าเรายกแทนยกขาได้ ten, da. ลูนตาเห็นแจ๋วเลยหัวเรื่องตั้งเลยแล้วทีนี้หมอยังสงสยัยบอกว่าครั้ง น, นี้ยงไง หมอมาให้เอามือมาให้จะมาบิดเบรกล่องโอยลยทุกคนนางพยาบาลดัดจิตกลับมาบอกไหนยังขีดฉันซิขามีแรงไหมบอกเอ า, าเอาขาเดียวสังขาเอาขาเดียวก่อนแล้วก็เราก็ถอยหลังขามาเอามาเยอนะงแงะแงะต้องลมไปเลยบอกนี่นะดีนะเธอนะแต่สองขาเธอตายนะเพราะนึกว่าเราไม่มีแรงบอกให้มาีจะตายยนะังไม่ขีดเราได้เพื่อเห็นได้ชัดโดยที่นี่แล้วในเวลาต่อมาหายใจไม่ออกเราขอค่ายแล้วหายใจไม่ออก ปวดตูเป็นกําลังเพราะฉะนั้นพูดมาถึงตอนนี้ขอเตือนอรญาติโยมไว้ว่าโปรดระวังคอประสาทกับตูอันเดียวกันนะถ้าขอเข้าต้องปวดตูถ้าตูย้อนจำมะเป็นอมภาพทุกรายโปรดทราบแล้วมีเด็กลูกหลานอย่าตีตอูอย่าตีตูตุูกนะเสียประสาทการเรียนยเสือแน่นอนนะขอเรียนไปด้วยตู่ถึงตอนนี้ขอเรียนไปด้วยอันนี้ด่าธรมาเรื่องจริงรเพราะฉะนั้นพอขอเข้าออแล้วนะตู จะหหายใจไม่ออกเพราะกมูมันหายใจไม่ได้หมอต้องมามาสูบสูบเอาเลษออ ก, ลออกแล้วจึงหายใจได้ตอนนั้นหมอบอกมไม่เดือดหายใจแต่มีชื่อประจอน้อยมากโดยที่นี้พัชมาก็หายวันให้คืนแล้วหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะ น, นอนพลิกศีรษะไม่ได้แต่แข็งแรงดีและพลิกตัวไม่ได้เลยจึงโทรศัพท์ทางไกลไปหาอาจารย์ประดิษฐ์โรงพยาบาลเลกสิน คือหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการสุขุมวิทเขาเป็นอาจารย์หมอก็ดุเลยอาจารย์ประดิษฐ์ที่โลกศึกเลิกศิลป์แบอบกไม่เคยเห็นขอหากกระจาเอามาดูซิก็ล่วงเช้าไปอีกไปส่รถหามไปใส่รถโรงพยาบาลสุขุรีิไปที่เลิกศิลป์ไปศิลก็หามขึ้นชั้นบนหมอไปดูใส่เสื้อหมอกไปงานเข้ามามาดูแล้วเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้ขอเสื้อเอาแพทย์มาวิจัยทไมไมายําไมในกายแล้วเดี๋ยวหมอไปขอเสื้อออกหมดไป่เสือเอาผ้ามาพัน์ี่ตาพันธ์ 15นาทีอาตอมาเดินได้เลยขารับไม่ต้องหามเดินขึ้นรถนั่งมาถึงสิงบุรีไม่ได้เคลื่อข้างโรงยาในสิงและนายแพทย์บอกว่าไม่เคยเห็นร้อยต้งหมดร้อยถ้าเคลื่อนนิดหน่อยต้องทวงศี่จะเป็นเวลาแรมปีนี่ทำไมเป็นอย่างนี้จะมีความสงสัยจะวิจัย <c oughs> ต่อไปอาตมาถ้ามาอยู่สิงบุรีพอสมควรหายวันให้เ5 0วันออเตรมเวลามาได้ อันนี้ที่เนได้ว่าเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามทุกคนนี่พูดมากแถบมาเป็นหมื่นเยี่ยมเป็นหมื่นเลยนะอาตมาได้เงินห้าแสนแต่ดีไหมคนระบาดสองบา ท, บาทเขามาเยี่ยมเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเขาบอกขอหากไม่ตายก็ล่ำลือกันมาเยี่ยมแล้วได้เงินเขาโรงพยาบาลซื้อเครื่องอุปรกรณ์ต่างๆไปสองแสนแล้วเหลือจางการขอกระถิ่หมดไนะพอตาตาหมดใครขอให้หมดเลยนะมาเดีเอาไว้แม่จะทำเดียว อาตมาด้มีโอกาสทําบุญโชคโดยต่ออยู่ต่อไปอันนี้ที่เห็นได้ชัดแล้วที่นี่พูดมาหมอประดิษโรงพยาบาลเลือดศุนย์ก็โทรศัพท์ทางไกลมาหาผู้อุเยการบอกย้ายหลงพ่อสมพูดถ้าจะพูดมากฉีดยานอนหลับชะเขาก็ยาฉีดนอนหลับมาฉีดให้กินไม่มีทางหลับโซยาได้เขาบอกไม่ง้นแเราต่อเอามาใหม่เนะอามาั่งใหม่อยากท่านพูดจะได้หายไวถ้าพูดแล้วหายช้าอาตมาบอกต้องเรืองอะไรมีปากก็ต้องพูดไปแค่ามา พวกยาโยมาเยี่ยมก็ต้องพูดกันเขาไม่ยอมเขาบอกพูดอะไรตีหนึ่งตีสองยังพูดอยู่ไงเช็ดงานนอนหลับก็ไม่หลับเพราะองค์นีุ้กคนเพรมันคนชอบกันเนี่ยจะทํำยังไงเนาะเลยสับไปใหม่หมอประกอบผู้มีการโกหกอาตมาโดยเพาะจะเปือกออกแม้สาธุดีแล้วเปือกนี่ใส่ยี่สิบตูดเลยนะเล็กตัวมม่ใหญ่เหมือนเต่าเลยนะเป็นเต่าแล้วเปือกนี่นะเดี๋ยวไปดูโลกได้ถูกตีก่อ ยังเก็บโลกแลว้ในสอนเขาถ่ายไหวแต่ในสอนถ้าไม่เคยเห็นกันนะนั่นนะไม่ไมปนจนนี้แล้วก็นําไปกรุงเทพหมอไปดีบอกกพ่อจัดการใหม่นะครับหายไวเอาเอายังไงก็ได้แล้วนนะแต่หมอเราจะมาไปํา เ, นะเนินหมอประกงเอาผื่ อ, อกบสบายมากเนื้อปวดจะเดินกับปล่าใสาใ่ไม้เธอวิห้ากิโลเธอวิห้ากิโลไม่รู้ความหมายขางหมอพอเพิ่มเสร็จแล้วกลับมาจริงจริงจริงบีพูดไม่ได้เลย อาปาไม่คืนอาปาเพือดไหลมันมันคบนะทําไงเลยนเะนี่ยข้าวจะกินน้ําำปําบากต้องเอาไอ้หลอดนะี่แยงแยงแล้วน้ําปลอกนึกถึงใหย่ใหญ่เป็นเปรดอาตมาต้ไปเจออยู่ห้าสิบวันทันท่าไม่ได้ต้องยัดเชือเม็ดนั่นงกินไปนม่ปากทะลุเข็แมแน่นอนไม่ถึงต้องใช้นีเ ป, เปเรตเลยเนี่ยพูดไม่ได้และอาหารทั้งหลายต้องยัด แลี่ยซนน้ำํำกองระบาดใจเยอะเกินกระทั้งที่ลุกก็ระบาดอยู่แล้วต้องอุ้นผุมนีเดินได้เพราะมันหนักเออ ก, กือบอีกห้ากโลคุณนองนี้นะอันนี้ได้ความมาว่าตไปเปรตดังที่กล่าวมาเช่นเดียวกันอันนี้ต่อมาก็หายกลับมาวัดหมอให้สายจออคอไม่สายงายเขาแต่สายยาเหมือนผีเดินในตรงเลี้ยวไปทั้งหมดเลยไม่ไหวเดีเ๋ยวนี้จะเป็นบ้างหมอเบาใจเคลื่อนงานพ่อนะ่ อาจาก ย, ยังานไม่งั้นไปเอาม า, าพาดไม่มังทางหายแล้วก็มีเรื่องนึ่งอีกนิดหนึ่งว่าก็ตายไปแล้วนะเนี่ยตายไปแล้วประมาณตายไปแปดปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขอหักขอเจริญทรที่น้องทั้งหลายว่าข้าไม่นึกอยากเปรี้ยวรสหวานมันเค็มไม่นึกเลยและก็ อ, อยู่ได้คืนอย่างลมไม่เป็นไรอันนี้มันสบายใจมากหลายประการอันนี้ชี้เห็นได้ดังที่กล่าวมาโดยมาในเมาชาสร้างความพิชุต ใช่เงี้ดังที่สัญญาไว้แล้วก็ทําคูกั้นวัดหมดใช้มีหมดเลยทุกอย่างสร้างที่ห้องพักสร้างห้องน้ําำช่วงเพิ่มขึ้นอีกสามสิบสี่สิบที่เป็นตามใช้เีประชาชนต่อไปตอนที่จะพุ่งลาบเนี่ยอัตมาก็เวียนขอออกไปถูกสุนัขเขาตะมูกเลือกพุ่งสลกอัตมาก็อาจ้นจางสืดมาครกน้ำชาข้าวปลอกสุนัขไปลุ้นคุมาไม่ไดมีเจตนาเลยนะ แต่ใ น, นหลักพระพิจารณบอกเจตนาหางพุทธเวกรามังวาถานุเจตนาถึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวกิริยาใจอย่าล้มนยะกิริยาก็ต้องใช่นะี่ยเหมือนเราไปมีร้าง้าไปจปับแก้วเขาดูเนี่ยจะซื้อเขาไม่ได้มีเจตนาแต่แก้วเาแตกไปด้วยการหลุดมือด้วยความประมาทั้งเราโดยมารยาทต้องใช่แน่นอนแต่ใ น, นเมื่อเขานั่นกับเราชอบพ อ, อ ก, กันก็เรื่องหนึ่งไม่ต้องใช้ครับอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งโอ้โหสุดไป เพราะฉะนั้นในหลักปิธามบอกเจตนาจึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวคิยาถ้าคนเข้าขัานในความดีต้องใช้ทั้งนั้นโดยรายละเอียดของชีวิตเนี่ยตัมมาต้องใช้อีกเวียงขอนตะยนสุนัขเข่าตมุกนี่ต้องใช้ใช่ยังไงในเรววัยชีสุขไม่เกินตาทิพยสี่ชั่วโมงแน่นอนแต่จะใช้เดยวิธีไหนอาตมาก็มีที่โอกาสไปที่อเดบุรีมีวัดสร้างใหม่ พระวัดใหม่หลังตัวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีชูส่สสมพานพระขูจมหนึ่งท่า น, น, นก็มีโมในตำหน่ า, ายชมวัดท่านมีเต้นอยู่ที่นาผู้ดิท่านนะอาตมาก็ไปนัง่งท่านก็นั่งอยู่ด้วยญาติโยมก็นั่งเยอะพอเปล่งโทรศัพท์มาสมพานก็ลุกไปเข้าไปรับโทรศัพท์ถ้ากิเดี๋ยวหลมปลาหมูนะพัดเอาเต้นทั้งหมดทางเลยนะแล้วก็รวมไปจุดเลยพุ่งเอาตะหมูอ่อาต ม, มาเลยวันก็เดินไปเลยผางลงไปเลย ห้าขาโดนผ่านไม่ไปรับโทรศัพท์โดนชุ่มผ่านก็นั่งหุนหน้ า, าตามาโดนอาตามาคนเดียวเท่านั้นเลือกทุ่งเหมือนโดนสุนัขใช่ั้มแล้วตะมาก็กลับมาก็เออขานี่ว่าจะเอาตะมาไปโรงพยาบาลไม่ปไปไหนถ้าดูโดนตะคุยจำนองต้องตายไม่ตายก็คางเหลืองเพราะเต้นทําเต้ น, เ, น, นเลยล้มมาหนมูมาทัดมาพอโดนนาตามาแล้วหายเลยลมนี่ลมตามตะมาลมเวนีนตันมันไม่ทัดทุกหลลา ลูกอาก็หมุนมาอย่างนั้นเองเขาหลมบ้ห huh, มูที fun, ่เราเห็นตามพื้นผาหมุนหมูอย่างนี้เต้นพังหมเลยแล้วก็พุ่งาตัหมูตมาตรงทือตมาเวียมขอนชนชนชนนั่เราก็สามทุึกได้โอ้โหสิทนข้ายอมรับกรรมของท่านที่เราทาท่านไว้นกุจตนตอนบ่ายอาตมาต้องมาบรรยายที่เทศบาลเมืองรบีเขาก็เห็นเลือบไหลก็เล่าให้ฟังเลยเทเรื่ยมเดียวเลยเรือบกรรมเลย ไม่ต้องว่าเรื อ, องอื่นจบในการที่เทศบาลเมืองเวลลีย์พันทิว อ, อันนี้เรื่องที่ต่อไปนิดนึงลูกชายของอาเดชรธรรมนตรีหญิงวิมอนจังวิมอศสลิดไรัฐมนตรีมาสมัยในธานิ น, นทร์สายเชียนแล้วทีนี้ลูกชายคนตอนนี้เนะี่ยเขาจะไปทำด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศแต่ตาเขาบอดเมื่อตอนนั้นชอบยงนกยิงลูกตาทางนั้น มายิงแม่ด้ยวยจะเป่ากล้องหรือว่าจะยิงปืนก็ เ, เ, อเอาตาให้ตานกแต่ทุกตัวพอยิงนั่นยิงแต่บุเลียนมยันซือเกรงปัญญาดีอย่างแต่เขารู้เท่าไม่ถึงตาจะเป็นบาปตามข้องเดินไทยอย่างนี้เขายิงนอกตัวในเวลาตามต่อมาได้พิญญาโทแล้วก็อาจารย์ที่จุลาแม่เขาเป็นอาจารย์ที่นั่นคือคุณยุโมนสิริเคยมาที่นี่เสมอเพราะคุณแม่เขาอยู่ทุกปากลิ้ แล้วก็เป็นออุปถัมภ์ทวด น, นี้เอาขนมมาเอาขนมอร่อยที่ป่าลึกเลยก็เล่าสู่กันฟังพาลูก ช, ชายมาลาจามาไปทํำยกเตย ต, ต่างประเทศก็เราปวดแห่งกันไปจิ้มมาพร้อมจะจะมาก็ะลับเขาน้ำตาล่วงบอกว่าพ่อครับผมนี่ได้ยิงนกเขาปืนมันแตกเอลูกตาที่ยิงนกแล้วผมก็เสียใจกันปวดลูกตาแทบจะกระดึงแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลปวดทั้งกลางคืนหมอก็วิจัยว่าไอ้ยันนี้ไม่คุณ อยากให้หายปวดในชั่วโมงนี้เอาไหมแต่ต้องเสวอฉมเนี้ก็คว่กตาออกเอาไหมถ้าไม่ควักออกมันหายไม่หายกจำจะปวดทรมานเป็นมิลายนเดือนต่อไปเราจะตัดสินใจครับหมอพักเคยเดี๋ยวนั้นแล้วหายปวดเลยแล้วก็ไปซื้อตาปลอมมาใส่เดี๋ยวนี้เชี่ยเห็นที่ทัดมากหนูตามวิญญาจารบอกเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสัปตัดชีวิตเลยและเป็นความจริงมาทุกอย่าง ในเวลาการต่อมาดูซิหลวงลูกหลวงกรดิพรล็อไม่เู้จักอาตมาเป็นเด็กเก็บเกัดตางคนต่างเดินยังือกันทั้งหมดในสอที่รัฐบาลมอาตมาไปกินข้าวเขาหลายวันในที่สุดลูก้ามากินข้าวของาหมดนะนี่คนแข่งกันนะเราไปกินเขาเขา้มากินเราดูมาในเมชาอาตมาไปเยือนชักคุณจิงคือแม่พงศตอนนั้นยังไปสาวมาไปเด็ก ไปเรียนช่างคอนทอี่บางคุชช์พอดียวสองบบาวันนั้นคุณหญิงนี่ยังไม่ได้นคุณหญิงหาค่ายทานอาตมาลากเข่าที่ด้านเขาหลายเวลาเขาจำอาตมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้วอาตมาก็จำเขาไม่ได้ในที่สุดเมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี่เป็นคุณหญิงเนี่ยโดยมาต่ออธิบดีสมพรเทืทท้อิษธาพร้อมด้วยสภาสงฆ์สานิาายมเชิดไ่ยมาที่นี่ เลยมาหาล่าพาวตมาเนี่ยยอมคนนี่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าใครเลยถามที่ดยิ่งสมพรนี่บอกใครคุณบอกคุณหญิงทุณเทพนี่ยเป็นภรรยาท่านอาจารย์พงศพนใช่ไหมไม่เลือนใช่ตายจริงวันนี้จะหาอาหารให้กินพิเศษพอเสร็จแรกก็ยอมเคยหงุงค่าจะมาทานนะมาเป็นเด็กโรงเรียนเนี่ยขอทช่นี่ต่อไปแล้วมารับพามหาหาที่มีหลายช่างนี่ดูซีโลกกลมที่น้องเที่ยวทั้งหลายโลกกลม ไม่ตายเจอกันนะเวียนวนอยู่ตลอดเวลาการเลยเคยไปกินที่ไหนต้องไปที่นั่นเคยไปเรียนหนังสือต่างประเทศต้องไปที่นั่นเคยเป็นวิศวกรเคยสถาปนิกก่อสร้างรับเหมาถูกไป็นสร้างอย่างไรก็ตามต้องบันทึกหลักฐานในเทปดิญญ้งยานติดตัวไปในสัมภาระทุกถ้าดวงการศึกษาไม่มีแล้วยัดเยียดไปเรียนก็เสือ่อมราบะถ้ามีดวงการศึกษาพ่อแม่จนนะไม่มีเงิยนยกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีนี่้ามาอยากจน หาชาวซิงคัมระดับกรรมกรแต่ลูกเป็นด็อกเตอร์เพราะภเกษก า, ายออกจากบ้านไปมันมีดวงการศึกษาดีเจา้าขแต่แม่จอนไม่สามารถจะส่งลูกเรียนได้ก็ไปรับจา้างเขาในกรุงเทพรับจ้างเรียนมเจ็ดมแปดแต่ไปเรื่อยเรียนตัววิช า, าจนไปต่างประเทศสำเร็จด็อเกเตอร์มาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในกรุงเทพนี่ชีอเห็นว่าเด็กคนนี้มีดวงการศึกษาส่งเสริมนด้ไม่มีเงินจะเรียนได้มันต้องมีภเกษก า, ายให้มันไปได้ถ้าไปลอกลูกเศรษฐีนะ มีเงินกิ่ก่อพไม่ tôi, มีดวงการศึกษาผู้สอไม่พอไม่ต้องเรียนนะไม่มีโอกาสสาเน็จแน่นอนดูหน้าผากู้ให้เจริญสมาธิไว้เพราะฉนั้นขอเจริญพรที่มองทั้งายจงนึกถึงเวรกรรมจากการกระทำนี่แหตมาในเวรกรรมตามสนองหมดแล้วหมดแล้วถ้าผู้ใดโดยสุดใจต้องใช้นี่ทุกเดียบนี่ถ้าคนไหนไม่โดยสุดใจไม่ใช้นี่ไปรวมใช้ดอกเรื่องกันทีเดียวข้างหน้า ต้องตกระตามลําบากในโลกมนุษย์ต่อไปอีกถ้านานแสนจะนานถ้าคนที่ดีมีปัญญาจะข้ามฝั่งฟ้าต้องโดนทวงนี้โดนปวดถึงตาตอนปวดเป็นการใหญ่ไปด้วยความไม่สุขใจแล้วจะไม่มีหนี้ถึงผูกพันไปคือนิพพานสมปราสนาทุกประการอันนี้ชี้เห็นไ ด, ด้ชัดเพราะฉะนั้นขอเจือนพรที่น้องทุกคนอย่าหลอกหลานทําบาปเลยอาตมาหีูประสบการณ์มามากแล้เช่นตาของเขาคิดว่าเป็นของเรา ในชาเขาก็ต้องเอามาเรลปเสยสิสทธิ์ห้าคนสมบัติมนุษย์สิดช้อมนุษย์สัพติลาโพคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโชคมีลาภดีกล้องโดสุดถ้าคนไหนเกิดมาเป็นสิดช้อมนุษย์สัพติลาโพไม่มีโลกไม่มีลาภแล้วคนนั้นเป็นมนุษย์ที่เรวรา้ายไม่โดยสุดมาเช่นตานาทิบาตติดตัวมาในชาตินี้เป็นง่อยเปียเสียขาไม่สมจะ ด, ดีแน่นอนที่สุดร้อยเเซ็ตและจะต้องเป็นอามาผาต้องทรมานผ่าตัดอยู่เสมอ สามวันดีสี่ 4, วันขา้าต้องไปยอมพยามาันตลอดเวลามีเงินจิตก็พร้อมก็ช่วยไม่ได้สองอธินาทานเป็นกฎยังคำของชุดมนุษย์ที่ติดมาแต่ชาติก่อนหกสิประเซ็นตรับรองตลอดชาติเอาเรื่องไม่ได้ตอนมีคนมาเบียดเบียนทรับย์โดนโจลกรรมตลอดเวล า, าการองบ้านอื่นทําันไม่โดนต้องโดนด้านเราตลอดเวลาการข้อนี้เป็นข้อกรรมตามเมศวริษาจารข้อที่สามถ้าบุคคลไปเซเวณีมาจากชาติก่อน รูกหัวเขาเมียเขามองนี่มาชาตนี้ขอประธานทอดไม่เมียกี่คนไม่โชวหมดไม่หัวกี่คนเป็นของเขาหมดถ้าไทยไม่เชื่อลองทําดูในปัจจุบันจะเห็นใ น, นอนาคตถึงโลกหลานเลยมีนายทาหารคนหนึ่นงมาบวชที่นี่ ร, ร้อยเรย์ไปร้อโทสองพันรอยไม่ยอมเชื่อลงโกงกรมมีเมียดีแล้วมีลูกสงคนเนี่ยนี่นายร้อยจ่าจปลาไม่ยอมเชื่อบอกท่านคุณม